8 o อด87ชูอดีตการของกริยาช่วยฟอ modal v e r b 1เราต้องรดน้ำดอกไม้าดอกไม้มต เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เราต้องล้างจานเราต้องล้างจานเราต้องล้างจานเราต้องล a างจานเราต้องนเต้องลจาราต้อล้เร้องล้างจาราต้องจาเราตลางจานเราต้อ้างจราอเต้องลาจาาานรต้รอเลา คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่ามัตเตเดเร่เบตัลเล่บูใครต้องการลาจากกันวิมมัตเต่ท้าอัฟเใครต้องการกลับบ้านก่อนวิมมัตเต่ก็อย่างทีลใครต้องนั่งรถไฟ เราไม่อยากอย g a นเราไม่อยากอยูคร่วนา่ารน vi เราไมอกรบกเราไม่อยากดืว่วมอะครไอกร vi เราไมรบนเราไม่อยากรบกวนคุณเราไม่อยากรบกวนคุณเรอวนเราไม่อน่อวนคุณเนคเรมานค่อยากรบกวนคราไม่อยากนรนเยก ฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ฉันแค่อยากขับรถกลับบ้านฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Jag trodde du ville ringe upplysningen ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า Jag trodde du ville beställa pizza